ความธรรมะเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมของเราเร<ะ>ได้สวนมนต์ไปด้วยนะพืะ่อได้เรียกว่าหมือนเรียนปริยัตินะการสวดมนต์ก็มีดังการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในบทพิเศษอะไรอย่างก็เป็นพระสูตรที่ ที่ที่ดีมากๆเลการฟังธรรมก็เป็นปริญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันคือให้เรารู้นะว่าสูตรต่างๆท่านสอนอย่างไรว่าอย่างเมื่อกี้เราสวดมหาปติปัฏฐานสูตรเนานะแบบย่อมาก <c oughs> ย่อเพราะว่าสูตรเต็มก็ยาวมากทั้งสีทั้งสี่ฐารนะ ค่หมวดกายก็มีอบแอบพัดเราก็สอนแค่สอบแบบพัดเกิดแบบย่อยๆนะแต่จริงเกิดแบบย่อยๆถ้าเราจัดตลาดได้ก็ได้ครบเหมือนกันนะคือที่จริงอย่างที่เราส่วนหมวดเรียกว่าอิทธิผลใหญ่แต่ก็หมวดที่เป็นสัพพัญญะแบบพัดก็คืออิทยิผลย่อยนะ โดยการรู้กายในอิริยบทใหญ่คดีหรือการรู้กายในอิริยบทย่อยก็ดีนะรู้นะมีสติรู้และรู้รู้สติที่กาลังทําอยู่ในปัจจุบันแต่ก็คือจุดเมุ่งหมายในการรู้คือนะ่ยสุดท้ายก็คือว่าถอนความพอใจและควา ม, วามวไม่พอใจในโลกของเสตได้นะคือรู้ไปเรื่อยแล้วจะเห็น เห็นกายในกายนะเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างเห็นการเกิดดับของกายบ้างเห็นสภาวะมันเกิดสภาวะดับไปเห็นอาการที่เกิดขึ้นในกายอาการที่เกิดขึ้นคือนะความทุ้กที่มันเกิดขึ้นในกายนะเเห็นความทุกมันเกิดขึ้นมาเห็นความทุกตดับไปเห็นอาการมันเปลี่ยนแ c h ไปเรื่อยๆนะน้่เราเห็นตรงนี้บ่อยๆนะ มันสุดท้ายมันก็คือว่าเราเห็นว่ามันจะถอนความพอใจและความไม่พอใจในกายได้นในเวทนาก็เหมือนกันในจิตก็เหมือนกันในธรรมก็เหมือนกันที่รู้สภาวะต่างๆก็คือรู้ก็เห็นว่าในสภาวะในในรูปก็ดีในเวทนาก็ดีในจิตก็ดีในธรรมก็ดีนะมันรู้จะมีความทุกขอยู่ในนั้นถ้าเราไปยึดนะไปยึดมันเนี่ย มันพร้อมจะเป็นทุกทันทีเลยอย่างที่เราสวดตอนเช้านะั้นบอกว่าโดยย่อผูปบรทานขันทั้งห้าคือตัวทุกขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอนะ่รูปก็คือเนะี้ยร่างกายเนะว่าโดยย่อนะแต่ร่างกายนี้มันมันคือยอ่อคือรูปมันร่างกายนะั้ะแต่จริงรูปอันนี้ก็รูป สารานี้ก็ลูกนะแต่ลูกลูกภายในก็คือร่างกายนะลูกภายนอกก็ทุ ก, ท, กทุกอย่างนะคือลูกทั้งนั้นแต่รูกก็มีสภาวะเหมือนกันนะอนี่คือสภาวะที่เหมือนกัน <c oughs> เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นะเป็นส่วนของนามธรรมนะแต่จริงก็คือในสภาวะพวกเนี้ยมันเป็นทุกการที่เราไปยึดในสภาวะเนะี้มันเป็น เป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราเกิดเป็นความทุกข์ใจนะนี่คือเราจะทำไงเราถึงจะถอนสภาวะการเป็นยึดนะฮนะการที่เราเป็นยึดก็คือการที่เราดืมตัวนะเราก็เลยหลงหลไปยึดว่ารูปนี้ก็ดีหรือ น, นามนี้ก็ดีนะมันเป็นเราเป็นของของเราถ้าตัวที่เห็นชัด น, นะเช่นรถ อสมมติมีคนมีคนบ้าเราขึ้นมานะมีคนว่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีเลยมันบ้ากูว่าเราใช่ไหมันจะรู้สึกทันทีทั้ที่เขาก็พูดอาจจะก็อาจจะบ้างานนะเราทํางานก็าจะวิจารณ์งานนะแต่ความรู้สึกขึ้นมาการเป็นบ้ากูพราะเรามีความเป็นคูปูกับงานเนี้งานของกรูนะมันว่างาน คือว่าครูเนีสมุดนะนะคือมันมันจะรู้สึกทันทีเลยคือใครมีใครมีลูกนากสมุติครูมาว่าลูกเรานะออลูกเราเกียรลูกเราเกเรนะฮะมันจะรู้สึกเลยความเป็นลูกของเรามันเกิดขึ้นมาทันทีเลยคือเขาอาจจะว่าพฤติกรรมที่ที่เขาเห็นนะหรือเขาเป็นในตอนนั้นนะ่ะอาจจะผูกหรือผิดนะั่นเป็นเรื่องนึงนะแต่ความรู้สึก ที่มันรู้สึกว่าเออนะ่เขา<อ>ตําหนิพฤติกรรมนี้ของเด็กคนนี้นะถ้าพูดแบบอย่างๆนะถ้าไม่บอกว่าชื่ออะไรใช่ไหมสมมติถ้าถ้าครูเขาไม่บอกว่าเด็กชายคนนี้เด็กหญิงคนนี้ลูกของคนนั้นคนนี้จะบอกว่ามีเด็กคนนึงสมมตินะมีเด็กคนหนึ่งไปขโมยเงินเพื่อนนะใช่ไหมเด็กคนนี้ทําผิดใช่ไหมใช่แต่ถ้าสมมติเฉลยว่าเด็กคนนี้ เป็นเป็นลูกของเราเนี่ยความรู้สึกนะมันมีทั้งความรู้สึ ก, กเด็กมันก็ทำผิดแต่ก็มีควา ม, วามรู้สึกว่ามันก็จะรู้สึกเป็นลูกของเราที่คิดหรืออาจะรู้สึกเราเองที่ก็ไม่ดีนะที่ไม่ได้สอนลูกให้ดีอยู่นะแต่ถ้าเราแบบบอกแค่ว่าเด็กคนนี้นะทําอะไรนะมันจะแยกได้มันจะแยกได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะ เวลาเรามีสติแล้วเรามองมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกกับนามก็เหมือนกันถ้ามองนความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นใช่เกิดขึ้นกับไหนเกิดขึ้นกับลูกเกิดขึ้นกับร่างกายแต่ทําไมเราบีบพุกเพราะเราบีนยึดพระลูกเนะี้ยมันเป็นเราเป็นของเรามันก็เลยกลายเป็นเราปวดกลายเป็นเราเมื่อยกลายเป็นเราง่วงนหรือเวลา เกิดความรู้สึกขึ้นมานะเอางง่ายๆนะเวลาปฏิบัติธรรมนะบางทีมีความรู้สึกเช่นมันเบื่อความรู้สึกมันเบื่อน่ะมันจะรู้สึกไล้ว่าเราเบื่อเราจะไม่มองว่ามันแค่ความรู้สึกเบื่อมันเกิดขึ้นในใจนะแต่เราจะรู้สึกเราเบื่อเราม่วอ่าอะไรนะมันจะใจเป็นเราเราเป็นความรู้สึกนั้นทันที แต่ถ้าเราลองฝึนสตินะเราลองฝึกแยกความรู้สึกมันก็คือความรู้สึกอย่าไปยึดว่ามันเป็นเรานะหลายคนมีปัญหากับความรู้สึกก็ไปลงยึดทันทีหรือไม่แต่ความคิดน ะ, นะบางทีปฏิบัติธรรมหลายคนหรือบางทีไม่ได้แต่นักปฏิบัติธรรมบางคนทั่วไปนะบางทีคิดลบ คิดลบ ก, กับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับแฟนกับกับพักักบะอะไรก็แล้วแต่นะบางทีมันคิดของมันเองนะมันคิดของมันเองแต่หลายคนก็ปล่อยวางไม่ได้รู้สึกว่าทาไมเราคิดแบบนั้นทําไมเราคิดไม่ดีทําไมเราคิดแย่แบบ่านั้นนะเพราะว่าเราดลงว่าคือเราเป็นคนคิดแต่จริงจิตมันคิดนะ ถ้าเห็นว่าจิตมันคิดเน่ะมันจะบางง่ายๆมันคิดเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเรานี่ยมันคิดเรื่องของมันก็คิดก็จบนะแต่ถ้าเราคิดว่าทําไมเราคิดไม่ดีนะมันจะมันจะยุ่งเลยเราต้องแก้ความคิดที่ไม่ดีนะอะไรนะความคิดไม่ดีอย่างนี้นะอย่าให้คนอื่นรู้มันมันจะไม่ดีเนะทุกวันนะที่จริงมันก็เป็นแค่ความคิดนะเป็นแค่ความคิด นในทางปฏิบัติธรรมนั้นเราเราไม่ได้ห้ามความคิดเราปล่อยปล่อยธรรมชาติคําว่าปล่อยในที่นี้คือว่ามันจะคิดอะไรไม่เป็นไรนะเราเพิดแค่รู้มันนะไม่ต้องห้ามมันด้วยแต่ก็ไม่ได้ตามความคิดนะคําว่าปล่อยไม่ใช่ว่าปล่อยมันคิดไปเรื่อยเลยนะแต่เห็นว่ามันคิดขึ้นมามันจะคิดดี เราคิดไม่ดีนะเราห้ามไม่ได้เราแค่รู้ว่ารู้ว่ามันคิดแค่นั้นพอละแต่ถ้าเราไม่แค่รู้ว่ามันคิดนั้นมันจะมันจะกลายเป็นเราเราคิดดีเราคิดไม่ดีเราเป็นคนดีเราเป็นคนไม่ดีมันจะบวกไปอีกนะถ้าคิดดีก็กลายเป็นเราดีอ่ถ้าคิดไม่ดีก็กลายเป็นเราไม่ดีนะหรือบางที เราคิดมีเหตุผลเราคิดถูกก็จะกลายเป็นเราถูก <c oughs> คนนั้นคิดไม่มีเหตุผลคนนี้คิดไม่ถูกก็กลายเป็นเขาผิดนะแล้วก็ทะเลาะกันเพราะเราถูกเขาผิดนะที่จริงก็คือความคิดมันไม่ตรงกันนะเขาปรึกันด้วยความคิดก็ได้คือด้วยเหตุผลก็ได้ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปโกรธกันกคิดตัวบุคคลนะถ้าเห็นแบบนี้นะเออ ทัานผิดก็ผิดที่ความคิดผิดที่เหตุผลตัวบุคคลเนนะี่ยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกันไม่เป็นต้องไปโกรธกันก็ได้นะมันก็หวานง่ายๆนะอันนี้คือเราปฏิบัติธรรมมันจะแยกได้แยกอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปอาการที่เกิดขึ้นกับนามเนี่ยมันเป็นอาการนะอาการของรูปอาการของนามไม่ใช่มีเราเข้าไปเป็น ในอาการตรงนั้นนี่คืสติน่ะมันจะทําหน้าที่อย่างนั้นนะพอเราเห็นอย่างนี้นนะมันจะถอนความเห็นผิดต่างๆ น, นนะทีลรชั้นทีไรชั้นออกไปเรื่อยโดยเฉพาะความเห็นผิดที่ที่ยึดว่ารูปนามมาเป็นเรานี่แหละเป็นของของเรานี่ยแหละมันจะถอนนั้นออกไปรวมทั้งความเห็นผิดว่า สภาวะทั้งหลายนะ่ะมันเป็นสุขหือสภาวะทั้งหลายมันดีมันก็ยากนะเวลาเช่นเราอยากขึ้นมาเวลามีความสุขขึ้นมาเนะี่ยมันก็มันก็มันก็ดีนะแต่จะถอนในความความยึดในสิ่งที่ดีความยึดในสิ่งที่สุขเนี่ยมันยากมากนั้นเวลาปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรม บางคนปฏิบัติต้องมีมีปีตินะมีสมาธนะิมีความสุขนะบางครั้งปฏิบัติไปก็มีความรู้นะแต่ฉานเข้าใจนะนะเขียบคมนะบางทีมีความมีพวกนี้ขึ้นมานะบางทีก็จะหลงติดได้ไง่ายไม่เคยสุขขนาดนีนะนะ้ไม่เคยรู้ขนาดนี้นะ ไม่เคยเบาสบายขนาดนี้หรือแม้แต่บางทีสติก้าทั้งวันทั้งคืนก็มีนะมันรู้แบบมันรู้มากเลยนะมันรู้ของมันเองตลอดเวลาเลยบางทีก็หลงไปแบบนึงเนือนกันทําไหนเราถึงจะถอนนั้นได้นะ <c oughs> ก็ต้องรู้ทันว่าเราติดนะ <c oughs> เช่นมันสบายเราพอใจในความสบายนะปิตา มันรู้พอใจในความรู้นะคือต้องเห็นนะเห็นความพอใจเห็นความพอใจถ้าไม่เห็นความพอใจนะมันจะถอนไม่ได้เห็นความพอใจในความดีเห็นความพอใจในความถูกเห็นความพอใจในความสงบเห็นความพอใจในความสุขนะมันจะถอนนะอันนี้คือขั้นที่ละเอียดนะ่ะ แต่ขั้นจัอยากขั้นแรกเท่านี้ก็จะเห็นสภาวะที่มันทําให้ไม่พอใจนั่นแหละความเมื่อยค ว, วความเบื่อกิเีดต่างๆความปวดความเมื่อต่างๆแต่ที่จริงก็คือให้เรารู้ทันความไม่พอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นให้เรารู้ทันอย่างนี้มาย้ำว่าคือบางทีมันเกิดสภาวะขึ้นมานะ บางทีเราจะวางใจผิดในแง่ว่าบางทีถ้าอารมณ์ไม่ดีสภาวะไม่ดีเราจะไม่พอใจทํำไงก็ได้ให้มันหายไปหรือว่าก็วางใจว่าทําำไงก็ได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมามันก็เลมันก็จะกลายเป็นการปฏิบัติบแบบไปไป บ, งบไปังคับเป็นเพ่งนี่คือปฏิบัติแบบบังคับแบบเพ่งแต่ถ้าทําตามไปเลยนะก็เผลอนะ มีเพ่งกับเพืนะ่ะนสองอย่างนะเพ่งไปเถื่อไปทางสุโต่งนะง่ายๆจแค่เนี้ยนะเพ่งกับเถื่อนบางทีเราคิดทางสุโตงมั่วเราไม่ได้ไปนอนไม่ได้ไปือดข้าวหลายมื้อเหมือนพวกพุทธเจ้านะไม่ได้ไปทอแล้วพอลมานั่งไปขนาดนะั้นแต่จริงการที่เราไปเพ่งสภาวะต่างๆเนี่ยก็คือการทรามาร กะามาัณกายกะามาัณใจนะหรือการที่เอ้เราไม่ได้แบบ เ, เสพอะไรมากมายหรอกนะแต่จริงๆนะการเสบที่แบบเสพแปลกๆเสพแบบมากๆาก็อันนะแต่การเสบในที่คือการพอใจอเช่นเห็นดอกไม้สวยมันก็สวยนะแล้วก็เสบในความสวยในดอกไม้นะ มีกลิ่มหอมๆนะเราก็พอใจในกลิ่นที่หอมแต่ในใจเราก็คิดก็มันหอมเนี่ยก็พอใจเดองนะก็ใช่นะมันพอใจแต่ให้เรารู้ทันรู้ทันความพอใจตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราติดใจนะถ้าเราติยึด่มันก็คือเรายึดสมมุติที่เราที่เราชอบยมเอาง่ายนะหมดเรื่องความอร่อยนะ เทียนกันนะเจนตายนะอร่อยเต่ละคนบางทีก็อาจจะเหมือนกันกลุ่มนึ่งนะแต่ไม่ใช่เป็นสาวคนใช่ไหมนะอย่างเช่นบางคนชอบทางของเผ็ดๆนะโอ้เผ็ดๆเดนะี่ยมายิ่งอร่อยบางคนทานไม่ได้เลยนะใช่ไหมส่วนอย่างกู้เตียนเหมือนน่นะโอ้บางคนก็อร่อยพร้อมนะแต่บางคนเหมนนะไม่อร่อยใช่ไหมของพวกนี้นะคืออะไรมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเรานะ แต่ถ้าเราติยิดว่ามันเป็นของเที่ยงนะเราก็จะไปมีปัญหากันตอนนั้นเรารู้สึกได้นะนะสวยชอบอ่นะเราก็ดูได้แต่ทําไงเราถึงจะไม่ไปยิดมันเพราะถ้ า, าไปยึดนะมันก็กร้อมจะเป็นทุกข์เมื่อมีคนว่าชนี้ไม่สวยเมื่อมีคนไม่ชอบมันเรานะมันจะเป็นทุกข์อ่ะถือว่าของนั้น ที่เราเคเห็นว่ามันสวยมันเปลี่ยนไปมันก็เป็นครูละนะนะหรือว่าของแม่เคยชอบแต่ตอนนี้มันไม่ชอบแล้วมันก็คือสภ า, สภาวะที่มันเปลี่ยนไปให้เราเห็นถ้าเรามีรู้เท่าทันนะโอ้มันจะเป็นพรูมากนะอันนั้นที่จริงว่าเยยอดออจริงนะปฏิบัติทำนะจะด้วยวิธีการไหนก็ดีนะทิ้งสำคัญคือให้เรามีสติรู้เท่าทัน สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะั่นนะรู้ทันสภาวะแล้วไม่ไปหลงกับสบภาวะนั้นนะคือสภาวะพอเรารู้ทันแล้วอาการที่หลงก็คืออาการที่หลงไปไปพอใจหรือไปนม่พอใจกับสบภาวะนะั่นแหละนะเมื่อหลงอันนะั้ถ้าเราไม่รู้ทันเราจะไปยึดความพอใจไว้ไปยึดความไม่พอใจไว้นะ พอใจก็ปกปกองไว้ไม่พอใจก็พยายามจะให้มันไม่เกิดขึ้นนะมีความอยากก็ทำด้วยความอยากอยากไดนะ้หรือทำด้วยความไม่อยากก็คือทำด้วยความกดข่มอารมณ์ไว้ไอ้พวกนี้นะมันทําให้เราปฏิบัติธรรมมันไม่ถูกทางก็ตนนนะร ง, ง, งนี้นะที่ติดระมันคือค่อยๆปรับการวางใจตรงนี้นะ ไอ้ตันี้มันก็เป็นประสบการณแบบตลอดไปเรื่อยนะ <c oughs> บางทีเราได้ยินได้ฟังเป็นทฤษฎีไว้แต่ภาคปฏิบัติะมันจะเหมือนค่อยๆเห็นวันนี้เราฟังเข้าใจแต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยเราจะเข้าใจด้วยด้วยความรู้สึกข้างในความรู้สึกข้างในที่หลายคนพอปฏิบัติแล้วจะเห็นวนะ่าอ้เราแต่ก่อนไม่รู้สึกว่าเรา ตึงไม่รู้สึกว่าเราเพง่งแต่พอปฏิบัติเรืเร่อยคื็เห็นว่าที่ประกัรที่ผ่านมามันตึงมันเพ่งไปนะแต่ะนะหรือบางคนกะรู้สึกปฏิบัติสบายบายนะแต่บางพอมาปฏิบัติในห้องจริงเมื่อกีเราก็ยังพอใจในความสบายอยู่นะแต่ะนะมันจะค่อยๆเห็นนะค่อยๆเห็นนะมันเหมือนค่อยๆปรับค่อยๆปรับให้มัน ออกลัมาสู่สภาวะที่ปกติสภาวะที่พอดีนะให้มันมากขึน้นื่อยนึ่งนะมาเด็นภาพการปฏิบัตินปริญญาเราก็ได้อ่านเราก็ได้ฟังเนาะปฏิบัติเนี่ยคือการที่เราได้ได้กระทํานะกระทำแล้วมันเกิดผลเกิดผลขึ้นมาอย่างไรเนะี่ยมันเป็นเรื่องประ จ, จักตังเฉพาะตัว คือบางทีเราไปเรียนแบบนะหรือเราไปจำที่คนอื่นเขาว่าบางทีก็ไม่ใช่นะเราต้องลองทำเองแม้แต่การที่เราทำในรูปแบบนะอย่างเมืองไทยเราก็มีวิธีปฏิบัติหลายวิธีนะใช่ไหม <c oughs> มาเราก็เชื่อแต่หลายวิธีก็ดีแต่ข้างนั้นแหละนะมีคนที่เข้าใจธรรมะผ่านวิธีตา่ตางๆนะทุกๆวิธี่ เข้าใจมากเข้าใจน้อยก็จะมีเรื่องหนึ่ง น, นะนะทั้งวิธีก็ดีนะแต่มจะถูกจะดีกับเราหรือเปล่านะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องลอ ง, ลองเขาหรือหลายคนเลือกวิธีนี้แล้วก็ดีเช่นวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะแต่บางทีเราก็ต้องลองทำํทำว่าทําจังหวะประมาณไหนนะพอดีกับเราเองเนะงี้ยผมก็เรียนท่านพิเกศท่านไล้ทำ ในคลิปวิดีโอไหมทำานเตะตั้งใหม่เตะๆช้ชาๆนิดนึงนะท่านทําแต่ท่านไม่เครียดนะท่านสบายผ่อนคลายของท่านแต่อย่างท่านมาทําตามหลวงพ่อเทียนะมาเป็นสึกตึงเกินไปแต่สึกตึงมันคล้าๆเครียดเกินไปก็ตัวเองนะแต่บางคนอาจจะทำแล้วสบายก็ นั่นคือเรื่องเฉพาะตัวไงหรือส่วนพ่อคงเขียนส่วนพ่อคนเขียนอ่จจะไม่ค่เห็นคลิปที่ท่านยกมือให้ดูแต่อย่างเราอยู่สุปโะตก็ได้เห็นท่านทาบ้างนะท่านทำเบางอ่ๆน้่ยมืองอๆอะไรนะท่านเบาๆหลายคนถ้าทาตามพ่อก็สบายนะแต่บางคนทําแล้วก็กแบบแรกๆก็สบาย ต่างๆก็คิด <c oughs> คอนเบาเดินไปก็มีนหะรืออาจารย์บางคนมันได้เห็นท่านแต่ที่อาจารย์ที่จะนอนนะ่อาจารย์จะนอนค่อนะข้างตั้งใจนะจกำหนดหรืท่านยกมือท่าก็คล้ายๆของก็เทียนนะท่านจะทํา มีสติเหมือนกันนะแต่บางทีในรูปแบบข้างนอกอ่ไม่เหมือนกันเดินจนูงกลมเหมือนกันผมว่าคนเขียนบางทีถ้าเดินเร็วๆแล้วเดินเหมือนตึงวิ่งอลยแต่ผมว่าเขียนนั่นก็เดินชักชักชักนะมันคงแต่เราคนไม่เหมือนกันนะเราเองต้องลองทําแล้วก็สังเกตว่าทำแบบนี้รู้สึกอย่างไรนะ ทาำแบบนี้ผ่อนคายไหมทำแบบนี้มันตึงเกินไปไหมทำแบบนี้มันมันฟุ้งเกินไปไหมนะสังเกตดูตัวเราเองหายใจวัดตัวเองให้ได้นะก้าแบบนี้ยาวไปมันเหนื่อยก้าวแบบนี้ท่านไปเกินไปก้าวแบบนี้พอดีพอดีนะนะดดเดินช้าเดินเร็วยกขนาดไหนก็ดีไม่แต่การหยุดบางคนหยุด น, นานไปกลายเปแช่ แฉมันตัวรู้อะมันยาวเกินไปนะอย่างเช่นรู้นี่มันยาวแล้วถ้ารู้แค่นี้ปุ๊บนะเพลื่อนปุ๊บนะมันจะรู้ไม่ไม่ยาวอย่างบางทีที่จะบทใหญ่เอะเรารู้ได้ก็จริงแต่บางทีถ้าเราไปรู้แบบยาวมันก็มันมันก็มองยากนะอย่างเช่นยืนก็รู้ก็ยืน เช่ถ้าเมื่อถ้าเรายืนนะก็รู้นะว่ายืนแต่อะไรถ้ายืนเฉยๆเนาะมันจะแต่กายเป็นมองดูตัวเองมันยืน อ, อืมจะยืนแบบไหนลนะ่ะบางทีคนก็จะจ้องดูตัวเองยืนนะขึ้นถ้าจ้องแบบนั้นมันจะผิดนะแต่ถ้ายืนแล้ ว, นนนะ ก, วก็ดูว่าในขณะที่ยืนนะมันจะมากกว่ า, าเช่นยืนแล้วก็เห็นร่างกายหนยใจเข้าร้างกายหนยใจออก ยืนหายใจเข้ายืนหายใจออกเนะ่ยโอไม่ได้เห็นชัดรู้เป็นครั้งตื่นที่ยืนแล้วก็ขยับตัวเนะ่ยเห็นหน้าไกาก็ยืนแล้วก็ขยับตัวนะมันจะดูง่ายแต่ถ้าดูว่ายืนเฉยๆนะ่มันมันจะเป็นครั้งนิ่งไปนะหรือถ้านั่งเลยเนานะเราก็รู้นาว่านั่งอืมแต่ถ้านั่งรู้ว่านั่งเฉยๆนะ่มันก็ดูได้นะแต่ถ้ารู้นานๆเนี่ย มันจิตจะบล็อกแบกเง่ายจะรู้อะไรกว่าดีน้อกะไรนะถ้าตะรู้นั่งด้วยขยับไปด้วยอรู้ว่านั่งด้วยหายใจเข้าไหายใออกด้วยนะมันจะมีตัวรู้ที่มันชัดขึ้นทีละนณะเหมือนบางครั้งถ้าใครเคยทาสมาธินะ่ะเห็นหมาเองเคยเคยดูลมหายใจตามดูลมหายใจเรื่อยเจนั้งตลมหายใจมันไม่มีอ่ะมันนิ่งมาก แต่โดยสมองมันรู้เนี่ยนะว่ายังหายใจเพราะมันมันไม่ได้สุดอัมันสบายมากแต่มันไม่เห็นลมหายใจไม่รู้สึกถงลมหายใจพอมันว่างนล้นะมันไม่มีดกระตูมมันก็เลยอยู่ว่างๆเฉยๆมันไปต่อไนเป็นทําไมเลยรู้สึกว่าบางทีสภาวะที่มันนิ่งเกินไปนะแม้มันจะมีตัวรู้อยู่แต่แต่มันรู้แบบนิ่งๆเนะ่ยมันเดินต่อนม่ไดเป็น นั้นหลวงพ่อเทียนถ้า้นให้เราแบบให้เราขยับตัวอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ถ้ามันนิ่งอยู่จริงเราก็ต้องดูสภาวะบางอย่างให้มันมีเครื่องอยู่ให้มีตัวดูสักอย่างดูอะไรก็ได้จิตมันยนังไม่ติตตอนนิ่งนะนั้นการดูต่ตางๆเนี่ยแต่ก็ต้องเลือกดูให้มันเหมาะกับตัวเราเองนะบางสภาวะอย่างางคนเดินนะบางทีไปแค่เดินไป น, นะบาง มันนิ่งเกินไปยกมือต้องเหมือนกันหยุดนานเกินไปบางทีก็ทําให้เราแช่ยกช้าเกินไปบางทีก็แช่นะนั่นคือมางทีเราก็ต้องดูนะค่อยๆ ป, ปรับเขานะอันนี้มันคือมาที่มาพูดนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นหลักการในการปฏิบัตินะส่วนหนึ่งก็เป็นเทคนิคเนาะในการปฏิบัตินะ ไอ้เทคนิคน่ะไม่เหมือนกันนะแต่หลักการน่ะเหมือนกันจะเป็นใครปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะคือให้มีสตินะเห็นอาการที่เกิดขึ้นน่ะกับกายกับใจน่ะเห็นไตรัะที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นเป็นเพียงแค่อาการเห็นมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่อาการอย่างเห็นความเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้น ดูดีๆนะโกรธก็เป็นทุกข์กายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์นะอยากเนี่ยก็ทุกข์นะใจมันเป็นทุกข์นะแต่กายอ่ะเป็นทุกข์บ้างบางอย่างก็อาจจะพออยากก็สุกขก็มีนะแค่คิดอยากก็มีความสุกขก็มีแต่จริงความสุขแบบนั้นก็เป็นทะุก ข, ข, ข์เพราะมันต้องมันต้อ ง, องได้ถึงแก่ถึงแก่สนองถึงเป็นสมจริงๆ หรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านความหลงเนนะี่ยมันก็ดูเผลอๆแต่ยอสังเกตไหมถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากเนะี่ยเหนื่อยมากนะกินก็มากนอนก็มากนเะพราะร่างกายเหนื่อยนะสมองก็เหนื่อยจิตใจก็เหนื่อยคือแต่มันพวกนี้มันละเอียดถ้าเราไม่สังเกตโอ้วันไหนฟุ้งซ่านมากนะี่เหนื่อยมากเลยวันไหนมี อารมณ์เกิดขึ à, ้นเยอะนะไปอยู à, ba, ่กับสังคมอยู่ก็มีอารมณ์กระตุ้นเยอะเนี่ยเหนื่อยมันไื่อยบางทีมันก็เหนื่อยนะบางทีแต่บางงานบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างเราเราต้องเกี่ยวข้องนะเราหลีกไม่ได้มันก็เหนื่อยแต่เราได้เห็นว่าอารมณ์กระตุ้นเราเนี่ยมันพลุกมากพลุกมากน่ะมันเหนื่อยมากแต่พวกนั้นอย่างที่ว่าบางทีเราหนีไม่ได้นะแต่ทำไงถึง เราถึงจะไม่ไหลไปกับอารมณ์นั้นๆถ้าเราไม่ไหลไปกับอารมณ์นั้นๆความเหนื่อยก็จะน้อยลงความทุกข์ก็จะเบาลงนะอันนี้คือเราดูากนันนะจะเห็นว่าอารมณ์ต่างๆที่มันผิดปกติขึ้นมาในจิตเนะี่ยมันเป็นทุกข์เท้านั้นเลยเนะมื่อเราเห็นแบบนี้นะมันจะมันจะคลายได้เร็วเหมือนกับเราไปจับของร้อนะมันพอรูป้ปุ๊บนะปล่อยทันที ตัวสติปัญญาจริงๆเนะี่ยไม่ใช่การคิดตัวสติปัญญาจริงๆคือตัวจิตที่มันมันรู้มันเห็นของมันเองนะบางทีอย่างที่เราฟังเยอะเราอ่านเยอะเราพูดได้นะ่ะมันคือผ่านการจําผ่านการคิดเนาะแต่มันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหารจริงๆนะก <c oughs> ารที่เราจะฝึกปฏิบททัติจริงๆเนะี่ยเราไม่ใช่การคิดต่อนจิตใจของเราเองนะ คิดเตือนใีแจ้งของเราเองแ น, นั้นเป็นมันมันแก้ได้แค่ไอ้ที่มันเบาเบานะแต่ปฏิบัติจริงๆนะจิตมันเห็นจิตมันเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตมันเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งนะมันถึงจะถอนความเห็นคิดมันถึงจะวางนะความเป็นทุกข์ออกจากจิตได้ไหมนี่คือตัวภาวนานะหรือว่าเป็นปัญญาจากการภาวนาเนาะให้พวกเราได้ ได้ปฏิบัติกันเนาะอ่านก็พูดให้ฟังนะให้เราได้เข้าใจแล้วก็แต่ที่เหลือก็อต้องเอาไปปฏิบัตินต่อๆนะนกับปากไว้